คนทั่วไปคาว่าความสุขกับความอยากนี่มันใกล้กันมากหมายความว่ามันมักจะมาด้วยกันคนส่วนใหญ่ก็อยากมีความสุขอยากเข้าถึงความสุขอยากสัมผัสความสุขหรืออยากได้รับสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแต่ถ้าใครครดูดีๆนะ ความอยากกับความทุกเนี่ยมันใกล้กันมากกว่าไม่ว่าเรามีได้หรือเป็นอะไรก็ตามถ้าเราอยากได้อีกอย่างหนึ่งหรืออยากเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ทุกเลยนะอย่างคนบางคนเนี่ยผิวคล้ำแต่พออยากได้ ผิวขาวนี่ก็ทุกเลยทั้งที่การมีผิวคล้ำนี่มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่อะไรหรืออีกทางหนึง่งบางคนมีผิวขาวแต่ถ้าอยากได้ผิวคล้ำผิวสีแทนนี่ก็ทุกเหมือนกันนะทั้งที่การมีผิวสีขาวนี่มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้วายเลยบางคน อยู่ในวัยกลางคนกำลังวังชาก็อาจาจะลดน้อยถอยลงไปบ้างแต่ถ้าอยากเป็นหนุ่มนะกระชุ่มกระชวยมีกำลังวังชาก็าะจะรู้สึกทุกข์ขึ้นมานะกับสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเปนงน็นทั้งที่การอยู่ในวัยกลางคนแล้วก็กำลังวังชาลดลงมันก็ยังเป็นสิ่งที่เลวร้ยายอะไร าะไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรมีกินมีใช้แต่ก็ทุกข์เสร็จแล้วเป็นความทุกข์ใจเพราะอยากเป็นหนุ่มเช่นเดียวกันบางคนก็หน้าตาก็ก็ดูดีแต่ถ้าเกิดมีความอยากจะสวยกว่านั้นก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ กับหน้าต่างตัวเองทันทีเลยไม่มีหลายคนนะที่ใบหน้าก็อาจจะมีสิวบ้างอาจจะมีกระบ้างก็ไม่ได้คีเลยอะไรแต่พออยากมีใบหน้าที่หมดจดเกลี้ยงเกลาก็เลยทุกเลยนะ อจาจจะความรู้สึกอับอายขายหน้าไม่อยากจะสู้หน้าใครยิ่งอยากยิ่งมีความอยากให้ผิวหน้าใบหน้านี้เกลี้ยงเกลาหมดจดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์นะยิ่งรังเกียจกับใบหน้าตัวเองมากเท่านั้นทั้งที่ถ้าไม่มีความอยากนะอยากให้ผิวหน้าใบหน้าเกลี้ยงเกลาเนี่ย เจ้าตัวก็ไม่รู้สึกทุกข์อะไรที่เรียกว่าความอยากเนี่ยมันเป็นตัวเพิ่มทุกข์ก็ได้นะหรือตัวทำให้ทุกข์ถ้าไม่อยากเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์หรอกโดยเพราะถ้าเกิดว่าสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นเนี่ยมันมันไม่ได้เลวร้ายอะไรบางทีก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีได้ซ้ำนะ อย่างนักเรียนบางคนนี่สอบได้ต้องเก้าสิบห้าเปอร์เซนแต่พออยากได้ร0อยเปอร์เซน์นี่ทุกเลยนะเป็นความทุกข์ที่คนที่สอบได้เจ็0สิบปดบเซไม่เข้าใจนะทำไมแกได้เก้าส้าเปอร์เซ็นยังทุกแลวมันทุกจริงๆนะถ้าเกิดว่ามีความอยาก ให้ได้เต็มรอยเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนยังมีโรงเรียนดังโรงเรียนหนึ่งนะครูจับได้ว่านักเรียนหลายคนเนี่ยร่วมกันทุจริตในห้องสอบเรียกว่ายกแกงเลยนะจับได้ยกแกงเลยและที่ประหลาดใจคือว่าเด็กนักเรียนทั้งหมดเนี่ยไม่เพจะเป็นนักเรียนดีนะสอบได้ 90% กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นคูนี่งงเลยนะทำไมเธอถึงทุจริตถึงกล้าทำทุจริตขนาดนี้เด็กบอกว่าอยากได้ร้อยอยากสอบได้ร้อยคะแนนจริงเนี่ยการได้95คะแนนาหอ์นี่มันไม่ใช่เรื่องที่ขี้เละเลยนะมันเป็นเรื่องที่น่าอิ่ชาด้วยซ้ำ แต่เจ้าตัวนี้ทุกนะทุกเพราะอะไรทุกเพราะอยากได้ร้อยถึงขนาดที่จะยอมทุกจริตเสรแล้วพอถูกจับได้นี่ก็เรียกว่าแาบจะสียอนาคตไปเลยคือถ้าไม่ทุกนะมันไม่กล้า ย, ย่ามใจทุกจริตอยากได้มากนะถ้าไม่ได้นี่จะทุกมากเลย สคนที่ได้ 95% เนี่ยถ้าไม่มีความอยากนะเขาก็มีความสุขแล้วล่ะแต่ ท, ทันทีที่อยากได้ร0 0เนี่ยมันทุกทันทีเลยเช่นเดียวกันนะอยากให้ลูกได้เรียนหมอแต่ถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยเรียนคณะอื่น ซึ่งก็ไม่นในคีเลอะไรนะอาจจะเป็นเศรษฐศาสตร์หรือวิศวะคนเป็นพ่อนี่หรือคนเป็นแม่นี่ทุกเลยนะทั้งที่เด็กบางคนนี่สอบข้ามอาชไลไม่ได้นะต้องไปเรียนเอกชนหรือสมัยก่อนเนี่ยต้องไปเรียนลาม เขาก็ไม่เห็นทุกอะไรเลยพ่อแม่ก็ไม่ทุกเพราะว่าไม่ได้มีความอยากหรือคาดหวังให้ลูกต้องได้เรียนมหาทยาลัยดังๆมีอาจารย์คนหนึ่งนะลูกชายนี่เรียนแพทย์แล้วก็เรียนได้ดีด้วยสอบแพทย์นี่ก็ด้สอบได้อันดับต้ น, ตนๆเลย แต่พอลูกเนี่ยเรียนถึงปี4วันหนึ่งลูกก็มาบอกพ่อว่าผมไม่ไหวแล้วนะครับพ่อผมถึงที่สุดแล้วผมไม่อยากเรียนหมอผมไม่ชอบตรวจคนไข้ผมไม่ชอบเลือดไม่ชอบแผลไม่ชอบหนองผมอยากจะเรียนวิชาที่ผมใฝ่ฝันนะคือ MBA Finance เนี่ยคือ พอผมไฟฟ้าใหญ่เป็นนักวิเคราะห์การเงินนักวิเคราะห์การลงทุนผมไม่เอาแล้วหมอผมจะดรอปแล้วเนี่ยแล้วจะไปเรียนไฟแนนซ์แทนคนเป็นพ่อนี่บอกว่าพอได้หยินเช่ น, นก็ทั้งโกรธทั้งช็อกใจสลายเลยเนะเพราะว่าคาดหวังกับลูกคนนี้มาก อยากให้ลูกเป็นหมอที่มีชื่อเสียงอุตส่าห์ทุ่มเทให้กับลูกจนลูกนี่ได้สอบได้แพทย์ระดับต้นๆแต่พอลูกมาตัดสินใจแบบนี้นี่พ่อนี่เป็นทุกข์มากเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับทุกวันทุกคืนเลยกระสับกระส่ายทุกทรมานมาก เรียกว่าแท้ไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยถึงกับล้มหมอนนอนเสือจนกระทั่งคนที่อยู่รอบข้างนี่ก็พ่ายเป็นทุกข์ไปด้วยแล้วหนึ่งแกก็ได้คิดนะแกบอกว่าได้ฟังคาํญญาบรรยหาอรตมาที่บอกว่าเนี่ยคนบางคนมีเงินร้อยล้านแต่ถ้าอยากได้พันล้านนี่เขาก็ทุกข์นะแต่คนบางคน ทำงานได้วะลนสะมร้อยก็พอใจอก็กลับมีความสุขกินอิ่มนอนอุ่นได้มากกว่าเสร็จแล้วก็คิดต่อไปนะว่าเออมันนึกถึงพี่ชายเป็นแพทย์แพทย์ใหญ่ด้วยแต่ว่าลูกเนี่ยที่การจะกำเนิด พ่อนี่ต้องดูแลลูกแล้วก็เป็นทุกข์มากเลยจกนกระทั่งต้องเข้าหาสุราเพื่อดับทุกข์แล้วก็เลยเป็นโรคสุราเรื้อรังท้ายก็ตายก่อนวัยอันควรมันนึกถึงพี่ชายแล้วเนี่ยแล้วก็ลูบพี่ชายแล้วก็มาได้คิดว่าโอ้ยไอ้เานี่โชดีกว่าเยอะเลยนะลูกเรานี่ก็ไม่ได้ เจ็บป่วยอะไรมีสุขภาพดีนล้วทั้งไม่ได้เ ก, เ ก, เกเลกไม่ได้เกลยเรไม่ติดยาขยันเรียนเพียงแต่ว่าเขาอยากจะเรียนวิชาอื่นที่ไม่ใช่หมอและนั่นก็เป็นวิชาที่เขาใฝ่ฝันเราซึ่งเป็นพ่อน่าจะดีใจนะที่เขารู้ว่าเขาชอบวิชาอะไรและ ก็เชื่อว่าเขาจะเรียนได้ดีเพราะมันเป็นวิชาที่เขาชอบแต่ทำไมเราถึงทุกข์นะเพราะเราอยากให้เขาเป็นหมอเราคาดหวังให้เขาเป็นหมอแล้วก็เราไปยึดติกับความคาดหวังของเราก็เลยเป็นทุกข์นะ ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนนะของตนก็คือความอยากของทันของฉันพอคิดอย่างนี้นะหายทุกเลยที่เคยล้มหมอนนอนเสือนี่หายเลยนี่เป็นตัวอย่างนะการที่มีลูกเนี่ยเรียน finance เนี่ย M B A เนี่ยมันไม่ได้ขี้เหร่เลยนะ มันเป็นสิ่งที่หลายคนนี่ไปไม่ถึงด้วยซ้ำแต่พอผู้เป็นพ่อเนี่ยอยากให้ลูกเรียนอย่างอื่นซึ่งคิดว่าดีกว่าพ่อนี่ทุกทันทีเลยและยิ่งอยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นถึงกับล้มหมอนนอนเสือถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับแทบไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลย วันนั้นเนี่ยจึงพูดได้ว่าเนี่ยความอยากกับความทุกข์นี่มันใกล้กันมากเลยในผู้อยากนคือความอยากนี่แหละทำให้เกิดทุกข์ถ้าหากว่าอยากในสิ่งที่ไม่ได้มีไม่ได้เป็นหรืออยากในสิ่งที่แตกต่างจากที่มีที่เป็นอยู่ ถ้อยากมีอีกอย่างหนึ่งอยากเป็นอีกอย่างหนึ่งมันทุกทันทีท่าคนเนี่ยมักจะคิดว่าความอยากความสุขเนี่ยมันมันไปด้วยกันแต่จริงแล้วเนี่ยความอยากความทุกข์ต่างหาที่มันไปด้วยกันและบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรแต่พออยากในสิ่งที่ ตรงข้ามนี่มันกลายเป็นการซ้ำเติมนะความทุกข์เลยไอ้ที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะความอยากในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของโลกธรรมเช่นความสวยความหล่อความรวยการได้ทรัพย์การได้รับคําสรรเสริญ แม้กระทั่งความอยากที่มันประหนี่กว่านั้นความอยากในสิ่งที่ประณี่กว่านั้นมันก็ทำให้ทุกข์ได้นะสถานที่บางแห่งก็ไม่ได้มีเสียงดังรบ ก, กวนอะไรมากอาจจะมีเสียงคนพูดคุยกันนิดหน่อยมีเสียงบางเสียงเป็นฉากหลัง แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ที่นั้นเป็นที่ที่มันเงียบสงบสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือความทุกข์บางคนนี่เวลาจะทําอะไรเช่นจะเล่นดนตรีจะฟังดนตรีหรือแม้แต่จะปฏิบัติธรรมก็อยากให้สถานที่นั้นนี่มันเงียบสงบ แต่พอมีเสียงดังแสกขึ้นมาที่จริงก็ไม่ได้ดังอะไรมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความหงุดหงิดลำคัญใจนะหาที่แม่ค้าเนี่ยนะเขาอยู่กับเสียงที่ดังออ ก, กึทกทึกคึกโครมเขาไม่ได้หงุดหงิดอะไรเลยแต่นักปฏิบัติธรรมบางคนนี่ แค่มีเสียงแทกขึ้นมานิดหน่อยนี่หงุดหงิดลำคาญขึ้นมาเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเสียงดังไม่ใช่เพราะเสียงแทกแต่เพราะความอยากจะให้มันไม่มีเสียงเลยอยากให้มันส ง, งบแบบร้อยเปอร์เซ็นตมีวาทีากรนคนหนึ่งนะมีชื่อมากเวลาแกคุมวงออเคสตรานี่ แก ต, ต้องคุมในห้องที่มันเงียบห้องโถงต้องเงียบเงียบแบบร้อยเปอร์เซน์เลยแต่มีคราวหนึ่งนะมันเกิดมีเสียงดังเล็กๆเบาๆ เ, าๆ เ, าเสียงน้ำประปาไหลาตามท่อซึ่งถ้าไม่สังเกตก็ไม่ได้ยินแต่หูแกดีมากนะ ที่จริงเสียมันก็ไม่ได้ดังอะไรนะแต่แกลาคาญมากหงุดหงิดมากเล่นไม่ได้เลยเพราะอะไรนะเพราะแกะทุกข์มากความทุกข์เกิดจากความอยากอยากให้เสียงในห้องนั้นมันเงียบไม่มีแม้กระทั่งเสียงมดหรือเสียงแมลงวันเพราะอยากแบบนี้เข้านะมันทุกข์ง่ายมากเลยนะ และที่ว่าทุกเนี่ยไม่ใช่ทุกเพราะเสียงนะแต่ทุกเพราะอยากให้ไม่มีเสียงความทุกไม่ได้เกิดจากเสียงนะแต่ความทุกเกิดจากความอยากให้มันเงียบสงบนี่ก็เช่นเดียวกันนะบางคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ธรรมดานจะมีความคิดทุ้งซ่านขึ้นมาบ้าง ซึ่งสำหรับหลายคนนี่มันธรรมดามากเลยถ้าฟุ้งซ่านเล็กๆน้อยๆขนาดนั้นเนี่ยฉันก็พอใจแล้วแต่บางคนนี่งดงิดนะเป็นทุกข์มากเลยเพราะอะไรเพราะอยากให้ใจมันเงียบใจมันสงบแบบไม่มีเสียงหรือความคิดมารบกวนเลย เป็นกันเยอะนะเป็นทุกข์มา ก, กเป็นเป็นทุกข์มากกับการปฏิบัติเพราะว่าใจไม่สงบที่จริงความความไม่สงบในจิตใจหรือการที่ใจกระเพื่อมใจมีความคิดผุดขึ้นมาเนี้ยมันไม่ได้ปัญหาเลยแต่ที่เป็นปัญหาเพราะอยากให้มันไม่มีความคิดผุดขึ้นมาเลย อยากให้มันสงบพอมันไม่เป็นไปอย่างที่อยากก็จะมีความทุกข์มีความหงุดหงิดมากซึ่งต่างจากคนอีกจํานวนไม่น้อยนะที่เขาทุกข์เนี่ยเพราะเขากลุ่มออกกลุ่มใจทุกข์เพราะสูญเสียคนรักทุกข์เพราะเศร้าโศกในความเศร้าโศกความเสียใจ หรือกระทั่งความโกรธแค้นนี่โหมันท่วมทนนะไออย่างนี้นะก็สมควรทุกข์นะแต่บางคนเนี่ยไม่ได้มีความสื่อแบบนั้นเลยเพียงแต่ว่ามันมีใจที่กระเพื่อมขึ้นมามันมีความคิดผุดขึ้นมาซึ่งก็ญ่เป็นความคิดรุนแรงแต่พออยากให้มันเงียบสงบสงบแบบไม่มีความคิด ใ, ใดๆเลยเนี่ย ก็เลยเป็นทุกข์แล้วก็พยายามหาวิธีทำงไงจะให้ใจไม่มีความคิดผุดขึ้นมาทำยังไงจะให้จิตมันนิ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากหรอกเพียงแค่ลดความอยากองถอนความอยากหรือความคาดหวัง ความอยากให้จิตสงบคลายคาดหวังให้จิตมันนิ่งแก่ตรงนี้แหละนะไม่ต้องไปหาวิธีอะไรที่จะทำให้จิตมันนิ่งจิตให้มันสงบแค่รู้ว่ามีความอยากให้จิตสงบคาดหวังจิตให้มันนิ่งรู้แล้วก็ไม่หลงไปกับความอยากนั้น หรือถ้าวางมันได้ก็ยิ่งดีแต่ก็ธรรมดานะที่นักปฏิบัติจำนวนมากเนี่ยจะทุกข์เพราะเรื่องนี้เพราะว่าเวลามาปฏิบัติก็มีความคาดหวังนะคาดหวังว่ามันต้องสงบมันต้องไม่มีความคิดเลยยิ่งเคยพบกับความสงบแล่ตอนนี้นี่มันไม่ค่อยสงบแล้วยิ่งทุกข์ข้นใหญ่เลย ทุกว่าทำไมไม่สงบสักทีไปโทษความไม่สงบไปโทษความคิดที่มันผุดขึ้นมาแต่ไม่ได้มองว่ามันเป็นเพราะความอยากต่างหากเป็นเพราะความคาดหวังต่างหากนี่แหละคือสมุดไทยคือสมุดไทยเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยหาสมุดไทยไม่เจอนะหรือว่ามองผิดผิดฝาผิดตัวไปคิดว่า ความคิดที่ฟุ้งนั่นแหละคือเหตุแห่งความทุกข์แต่ไม่ได้เฉลียวใจว่าเป็นพราะความอยากให้มันไม่คิดเป็นพราะความอยากหรือคาดหวังให้มันนิ่งต่างหากที่เป็นตัวสมุทยัยเป็นเหตุแห่งทุกข์ซึ่งทางออกมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็แค่รู้ว่ามีความอยากมีความคาดหวังแค่รู้ว่ามันมีความรู้สึกนี้อยู่ในใจนี้ก็ ช่วยได้เยอะละในการเจริญสติเนี่ยเราไม่เพียงแต่รู้กายเวลาเคลื่อนไหวหรือรู้ใจเวลาคิดนึกและมีอารมณ์เท่านั้นนะมันต้องสาวให้ลึกไปจนถึงความอยากหรือ ก, กิเลสด้วยสามารถที่จะไวต่อความอยากที่มัน เป็นตัวบงการให้เกิดความทุกข์บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความสงบแต่ปฏิบัติเพื่อความรู้สึกตัววิามีความรู้สึกตัวก็รู้สึกดีนะแต่พอความรู้สึกตัวหายไปมีความลงประทานที่โอ้ทุกข์มากเลยมีคนมาถามว่าทำยังไงดีเนี่ย จะให้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ดับไปเพราะอะไเพราะเขาอยากจะให้ความรู้สึกตัวนี่มันอยู่ไปเรื่อยๆปื้งอกคืออยากความรู้สึกตัวมันเที่ยงแต่ความรู้สึกตัวมันก็เหมือนกับสิ่งอื่นนั่นแหละรูปธรรมหรือนามธรมทั้งหลายคือมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับมาแล้วก็ไป ถ้าเข้าใจความจริงของความรู้สึกตัวนะว่ามันมาแล้วไปเกิดแล้วดับมันไม่เที่ยงถึงเวลาที่มันหายไปมันก็ไม่ทุกข์แต่เพราะมองไม่เห็นตรงนี้และเป็นเพราะความอยากเพราะติดใจนะติดใจในความสงบติดใจในความรู้สึกตัวอยากให้มันคงอยู่ไปนานๆหรือไม่ดับเลย พอมีความอยากไปนี้เข้าเนี่ยเสร็จเลยนะมันต้องทุกแน่นอนเพราะว่าความสึกตัวเนี่ยมันไม่เที่ยงปัญหาของนักปฏิบัติคนนี้ไม่ใช่ว่าความสึกตัวทำไมมันดับหายไปแต่ปัญหาคือเป็นเพราะเขาอยากจะให้ความสึกตัวเนี่ยมันเที่ยงมันไม่ดับรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแม้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะทำงาให้ความสึกตัวเนี่ยมัน คงอยู่ไปเรื่อยๆแต่ให้ลดความอยากความคาดหวังอยากเห็นความสึกตัวนี่มันเที่ยงให้ความอยากมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเกิดขึ้นเพราะไม่ไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆมันมันไม่เที่ยงสิ่งเท่าไหร่ต้องปวุมันไม่ได้อยู่ในอํานาจของเราควบคุมไม่ได้ อยากให้มันสงบแต่มันก็ไม่สงบอยากให้มันเที่ยงแต่มันก็ไม่เที่ยงและนอกจากไม่หรือถึงแม้ว่าจะยังไม่มีปัญญาเห็นแจมแจ้งถึงความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงผู้ง่ายคือไม่รู้ความจริงแตงน้อยเนี่ยถ้าให้ถ้ารู้ทันความอยากที่มันเกิดขึ้นมันก็ช่วยได้เยอะนะไม่รู้สัจธรรมไม่รู้ตายรักก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่า ก็ยังไม่เป็นไรตัดได้ที่ยังรู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นนั่นคือมีสตินั่นเองนะพอมีสติมันก็จะเห็นความอยากที่มาบงการจิตแล้วไม่ต้องทำอะไรความอยากก็แค่รู้เฉยๆมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปเองไม่ต้องไปอยากไม่อยากให้ไม่อยากอยากให้ไม่อยากนี่มัน มันหนักเข้าไปใหญ่นะเราเพียงแค่รู้ความอยากเห็นความอยากก็พอพอมันถูกรู้ถูกเห็นด้วยสติมันก็ค่อยจางคลายไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่รู้ไม่รู้สึกตัวความหลงนั่นเองแต่พอมีสติมีความสึกตัวความหลงหายความอยากก็ดับไม่มีจิตตังเพราะนั้นเนี่ยเวลาเรา เวลาเรามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก่อนที่จะไปจัดการกับอะไรต่ออะไรที่เราเชื่อมันทําให้เราทุกข์นะลองกลับมาดูซะว่าเป็นเพราะความอยากของเราหรือเปล่าอย่างอาจารย์คนที่ว่าเนี่ยแกคิดว่าเนี่ยลูกชายทําให้ตัวเองทุกข์เพราะลูกชายไม่ยอมเรียนหมออยนจริงไม่ใช่หรอกลูกชายไม่ได้ทำให้พ่อนิทุกข์แต่ความอยากหรือความคาดหวังของพ่อเองต่างหาก ที่ทําให้พอทุกพอพอและความคาดหวังลงหรือยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้มันก็หายทุกงั้นแทนที่จะลดแทนที่จะลดความอยากแทนที่จะขับไล่ความอยากก็เพียงแต่ยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในสิ่งที่ไม่มีหรืออยากในสิ่งที่ไม่ได้เป็นแค่ยอมรับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็น ไอความทุกมันก็ลดลง